สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพเรซูตอนที่สามร้อยเจ็ดสิบเรื่องคิดดูก่อ น, พ, อะนะพระเจ้าอยู่ในพระธรรมลู ก, กาบทที่สิบสี่ข้อที่ยี่สิบแปดจนถึงข้อที่สามสิบสามโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าด้วยว่าในพวกท่านมีผู้ใดเมื่อปรารถนาจะสร้างตึก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 ที่น้องที่รักครับหัวข้อในวันนี้คือคำว่าคิดดูก่อนในข้อ28นะครับเราจะเห็นภาพของคนที่มีความปรารถนาจะสร้างตึกเขาจะต้องมีการวางแผนใช่ไหมครับวางแผนในเรื่องอะไรบ้างวางแผนในเรื่องของแบบวางแผนในเรื่องของงบประมาณพระเยซูกำลังบอกว่าถ้าใครที่อยากจะสร้างตึกจะต้องนั่งลง คิดราคาดูก่อนพี่น้องครับคำว่านั่งลงคิดราคาดูหมายความว่าจะต้องใช้เวลาครับใช้เวลาในการพินิษฐ์พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนคิดในทุกแง่ทุกมุมเพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะเดินไปนั้นหรือทางที่เรากำลังจะเดินไปช้อยหรือข้อเลือกที่เราจะเลือกจะเป็นสาวกของพระเยซู ติดตามพระเยซูสุดสุดหรือไม่อย่างไรนั้นเราได้อะไรเราเสียอะไรนะครับสองสาวันที่ผ่านมานี้ผมได้พูดถึงว่าการติดตามพระเยซูนั้นมีคุณค่าสูงสุดและเป็นความปรารถนาเป็นน้ัพรทัยของพระเยซูเองที่จะให้เรามีชีวิตที่จะเป็นสาวกติดตามพระเยซูอย่างแท้จริงแต่ว่าเราต้องจ่ายราคาครับในการจ่ายราคาตรงนี้นะครับ พระเยซูบอกว่าจะต้องชังชังนี้มีความหมายว่ารักน้อยกว่าชังมีความหมายว่ารักน้อยกว่าและจะต้องแ บ, บกกลางเขนของตนมีความหมายว่าเราต้องยอมที่จะรับความทุกข์ยากลาบากรับการข่มเหงแม้กระทั่งความตายเมื่อเราติดตามพระเยซูพี่น้องครับสองประการนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการติดตามพระเยซู เป็นสาวกแท้ของพระเยซูและพระเยซูก็ตรัสสอนต่อไปว่าต้องนั่งลงคิดราคาครับไม่เป็นไรครับเรานะครับเราอยากจะติดตามพระเยซูจริงๆแต่ไม่ต้องตัดสินใจไม่ต้องรีบตอนนี้ให้นั่งลงคิดราคาดูครับให้ใช้เวลาพิจารณาให้ละเอียดหลายคนนะครับก็พิจารณาเป็นเวลาหลายสิบปีจนกระทั่งมาถึง วาระสุดท้ายครับก็คือหลังจากาเกษียณเขาก็คิดไปคิดมาต่อไปนี้ผมดิฉันจะติดตามพระเยซูเป็นสาวกพระเยซูอย่างแท้จริงดิฉันและผมยอมที่ให้พระเยซูมาเป็นเบอร์หนึ่งดิฉันพร้อมก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเรากับพระเจ้านั่นคือเป็นความอิสรภาพที่เราสามารถเลือกได้ น้องครับนั่นคือสิ่งที่เบเยซูปรารถนาให้เกิดแต่บางคนครับอายุอนาไม่มากครับแต่เขาเลือกที่จะเดินทางที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้อย่างชัดเจนเขาคิดดูพิจารณาดูชั่งน้ำหนักดูว่าเขาจ่ายราคาเท่านี้เขาจะได้อะไรคืนมาบ้างนั่นคือ สติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้แต่ละคนไม่เหมือนกันครับพระพีได้บอกว่าเกรงว่าเมื่อลงลากแล้วจะกระทําให้สําเร็จไม่ได้นั่นหมายความว่าพระเยซู ก, กำลังบอกว่ามีต้นต้องมีปลายครับมีหัวต้องมีหางมีการเริ่มจะต้องทําให้สําเร็จชคิตของเรานั้นจะจบลงด้วยดีหรือที่ฝรั่งเรียกว่า finish bell นั้นจะต้องคิดให้ดีครับคิดให้รอบคอบ ในการติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระองค์นั้นก็ต้องคิดให้รอบคอบหากว่าไม่รอบคอบเราอาจจะเสียดายเสียใจพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวครับการที่เราจะติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระเยซูเรายอมมอบชีวิตของเราให้พระเยซูมาเป็นเบอร์หนึ่งมาเป็นตัวเลขหนึ่งนะครับต่อชีวิตของเราที่เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูย์มันจะมีค่ามากนี่คือสิ่งที่คนจะมองเห็นบางคนน่าเสียดายมองไม่เห็นครับ พ่อขงพีพูดต่อไปว่าหากมีกษัตริย์องค์ใดเมื่อจะยกกองทัพไปทําสงครามจะต้องนั่งลงคิดดูเหมือนกันว่าที่ตนมีพลทหารหมื่นหนึ่งนั้นจะไปสู้รบกับคนที่หรือศัตรูหรือกองทัพที่ยกมารบสองหมืนได้หรือเปล่าหากว่าพลทหารของเราหรือกองทัพของเรานั้นมีประสิทธิภาพมีความสามารถถ้าสู้ได้เราก็จะสู้แต่ถ้าสู้ไม่ได้ทําไงครับต้องถอยกันครับ ไก่อนหรือเมื่ออยู่ห่างกันนั้นจะต้องแต่งทูตไปขอเป็นไมตรีกันพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูเรียกร้องให้เรานะครับจะต้องทาพี่น้องครับการที่เรานั้นจะเป็นสาวกของพระเยซูผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าไ ม, ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าผู้ที่เชื่อวางใจเป็นสาวกของพระองค์นั้นต้องเสียค่าบางอย่างแต่พี่น้องครับเรื่องนี้คนที่ได้ติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระองค์นั้น จะพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่ามันคุ้มสุดคุมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เราเลือกที่จะติดตามพระเยซูนั้นเราจะได้รับพระพรยิ่งใหญ่มากและไม่เพียงแต่พระพรเราได้รับพระคุณนะครับได้รับพระพรเสริมพระคุณเพื่อนครับพระคุณนี้ทุกคนได้รับคนที่ติดตามพระเยซูคนที่ร่วมกักพระเยซูคนที่เชื่อวางใจนพระเยซูได้รับพระคุณครับแต่บางคนขาดพระพร คนที่ติดตามเป็นสาวกของพระเยซูนั้นมีพระพรเต็มครับมีพระยนต์เต็มล้นนะครับล้นออกมาจนหลั่งไหลไปส่งผู้อื่นได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะยืนยันกับพี่น้องนะครับหลายหลคนนะครับที่เป็นผู้รับใช้พระเยซูเป็นคนที่ติดตามพระเยซูเป็นคนที่ยกย่องพระเยซูไม่ว่าเขาจะอยู่ในวิชาชีพใดก็ตามพี่น้องเราจะเห็นพระพรหลั่งไหลออกมาจากชีวิตของเขาไปสู่ผู้อื่นมากมายครับหลายหลคนนะครับ พระเจ้ารีเทิร์นหรือส่งกลับมาซึ่งพระพรที่บางคนไม่อาจซื้อหาได้เงินทองไม่อาจแลกเปลี่ยนมาได้นั่นคือสุขภาพที่ดีนั่นคือการรักษาโรคที่มาจากพระเจ้านั่นคือพระพรที่ตกไปถึงลูกถึงหลานนั่นคือชีวิตของเขานั้นถูกยกจากพระเจ้าสูงขึ้นทางเดียวม่ใช่ต่ําลงนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราเห็นในโลกนี้แต่ในโลกหน้ามีบำเหน็จที่รอคอยซึ่งประเมินค่าไม่ได้เลยครับพี่น้องประเมินค่าไม่ได้เลยเมื่อคนคนนั้นเป็นสาวกแท้ของพระเยซูและค่าตรงนั้นจะดํารงอยู่ชั่วดิสิหลันดอนถามว่าคุ้มหรือเปล่าผมอยากจะบอกกับพี่น้องทุกท่านที่รักว่าคุ้มสุดคุ้มครับแสงจะคุ้มเพีครับในเช้าวันนี้เราจะต้องนั่งพิจารณา นั่งลงคิดราคาครับว่าเราเสียอะไรและเราจะได้อะไรนะครับพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่มือเติบครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยติดหนี้ผู้ใดเลยพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมพระพรมากมายรอเราอยู่เพียงแต่ว่าเราจะเลือกที่จะเดินตามทางหรือน้มพรทยหรือมันคาที่พระเจ้าพระเยซูต้องการให้เราเดินหรือไม่อาเมน